เทศนาแผ่นที่81ดสับดับที่24โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงคำในวันที่13มีนาคม2 5งพปีชื่อเรื่องว่ายาหลงกาย วันนี้เห็นคณะาาศรัทธาญาติโยมลูกหลานดูดูแล้วอบอุ่นอุ่นหนาฝาข้างนั่งเต็นเต็มไปหมดและก็เห็นพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เหลืองอาลามวันนี้รู้สึกว่าเป็นวั น, น, วนมงคลมหา ม, ง, มงคลอย่างยิ่ง ที่หลวงพ่อของเราได้จัดงานงานที่ยิ่งใหญ่ยานงานที่ยาวนานทำไมจังวางงานที่ยาวนานเพราะมีการจะสร้างสร้างอุโบสถที่จะลงที่จะทำสังฆกรรมของพระสงฆ์งานพิธีงานของพวกเราในวันนี้ พิธีงานวางศีละเลิกกุบวสถร่วมกับงานพิธีบําเพ็ญกุศลทักกินานุปทานน้อมอุทิศถวายพระเดชพระคุณพระราชนิโรธรังสีคำพีระปัญญาวิสิทธิ์หลวงเล็บหลวงปู่เทศเทศรังสีในโอกาสที่พระครูธรรมยานโสผล หรือพระ อ, ธ, อธิการพวงธรรมธีโปเจ้าวาดวัดดอนข น, นุนธรรมหารได้ดำได้กำหนดงานพิธีวางศิละเลิกอุโบสถงานพิธีบาเพ็ญกุศลทักขินานุปทานน้อมอุทิศถวายพระเดชพระคุณหลวงปูเ่เทศเทศรังสีณนะวัดดอนข น, นุนวงเล็บธรรมหาร บ้านรอนขนุนตำบลด่านศรีสุขอำเภอโพตากจังหวัดหนองคายวันที่ 13-14 ถึงเดือนมีนาคมพุทธศักราช2558วันนี้จึงถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งยี่ตรงพ่อได้พูดได้กล่าวทาง ฝ่ายบ้านเมืองก็ท่านผู้วาราชการจังหวัดพึ่งพานถึงมาเป็นประธานจุดธูปเทียนแต่ท่านก็ได้ลาไปก่อนเพราะท่านมีกาชาติอยู่ที่หนองคายเพิ่นพ่งลาไปเมื่อกี้นี้แล้วก็พร้อมกันทางฝ่ายพระสงฆ์ก็มีเจ้าคณะจังหวัดอุดรเจ้าคณะจังหวัดหนองคายให้ความสําคัญในงาน เอ่พวกเราในวันนี้และก็พร้อมกันพระเถรานุเถระมากท่านที่หลวงพ่อได้มองมองเห็นเพราะนั้นถือว่างานนี้เป็นงานพร้อมเพียงสามคัคคีทั้งฝ่ายบ้านเมืองทั้งฝ่ายคณะสงฆ์และครูบาอาจารย์ญาติธรรมทั้งหลายและก็คณะสัตธาญาติโยมหัวหน้าส่วนราชการหรือพ่อค้าประชาชน ให้ความใส่ใจและให้ความสนใจในงานนี้อย่างมากนะ เ, เพราะนั้นถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลที่พวกเราจะได้ร่วมจัดงานและก็ต่อไปก็คงจะหาทุนอขอให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าช่วยๆกันบกเวียนแล้วก็ช่วยๆกัน สร้างอุโบสถไปเกิเป็นที่ทำสังฆกรรมให้กับพระสงฆ์คืออุโบสถเมื่อสร้างเสร็จขึ้นมาแล้วก็จะมีพระประธานแล้วก็คงจะมีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนเสียนพระประธานเพื่อเป็นสิริเพื่อเป็นมงคลอย่างนั้นก็พระสงฆ์ก็จะได้ทำสังฆกรรมมีการบวชพระ แล้วก็ทําสังครรมได้ทุกอย่างเพราะนั้นพวกเราได้ร่วมกันสร้างพระอุโบสถก็คือเป็นการสืบทอดพระพุทธ ศ, ศาสนาส่วนหนึ่งเหมือนกันนะการนักสทตยาต า, ศ า, ญญ า, าโยมลูกหลานเพราะนั้นพวกใดผู้ใดคงจะไ ม, ม่ได้มาง่ายกว่าที่จะสร้างเจดีเสร็จพวกเราเนี่ยมาในคราวนี้ครั้งนี้ก็ควรจะมีส่วนร่วม ไม่มากก็ น, น้อยอควรจะมีส่วนร่วมเพราะว่าการสร้างข่าวนี้เป็นสร้างบุญสร้างกุศล ส, สำหรับพวกตัวของเราเองนะเอาหลวงพ่อจะเริ่มแล้วนะทานีนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสาัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังกินจิสมุดายะธรร ม, มังสะ บ, บันตังนิโรธาธรร ม, มันตติวันนี้ นับว่าเป็นวั น, ว น, ว น, วนมงคลมหาม ง, งคลยิ่งพวกเราคณะศรัทธายาตโยมได้ร่วมกันมาบำเพ็ญกุศลณสถานที่แห่งนี้ที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวก็คือที่ทำหานเป็นการทําบุญสองอย่างก็คือทําบุญน้อมถวายกุศลต่อองค์หลวงพูเทศเทศรังศีและก็พร้อมกันก็เป็นการ วางศิลละเลิกสร้างพระอุบโบสถทิศที่วัดป่าธรรมฮานของเราแห่งนี้วันนี้ถือจึงถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราพวกเราท่านทั้งหลายที่เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนา ก็นับว่าเป็นมีโชคดีสำหรับพวกเราทุกๆ ท, ท่านที่ได้เกิดมาแล้วก็ได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราเป็นสิทธิญานุสิ์หลวงปู่เทศเทศรังสีอยู่ในละแวกนี้หลวงพ่อเองก็มาอยู่ ถึงจะอยู่ที่บ้านตาที่เคยอยู่กับองค์หลวงตาหลวงพ่อเองก็ถือว่าหลวงปู่เทศเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อหลวงพ่อถือเป็นแบบชบบับหรือว่าในฟังธรร ม, มเทศนาของหลวงปู่ล้วนแล้วแต่มีเหตุผลอัดรมที่องค์หลวงปู่ท่านได้ให้กับสิทธญาณุสิทธ์ทางหลาย วันนั้นถ้าหากว่าพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังธรรมเทศนาของท่านจะเป็นหนังสือหรือจะเป็น MP3 สที่อัดมาช่วงหลังๆล้ลวนแล้วแต่เป็นเนื้อหาสาระธรรมะที่พวกเราจะนำไปประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายใจของพวกเราอย่างหลวงพ่อเองได้เข้ามากราบคารวะท่านแล้วก็ ถือว่าถือเสมือท่าน เ, าเป็นหลวงปู่เป็นปู่ของหลวงพ่อถ้าเข้ามาที่หินหมักแป้งเมื่อไรอพระน้องนุ่งทั้งหลายาท่านก็เปิดโอกาสให้หลวงพ่อได้เข้ามากราบได้ทุกครั้งที่กุฏิที่พักของท่านเพราะนั้นเมื่อท่านช่วงหนึ่งท่านได้ไปอยู่ที่ถ้าขามท่านไปอยู่ที่ถ้าขามพวกเราก็ยังตาม ไปกาบคาระวะก่อนในช่วงเข้าพรรษาพอท่านเห็นพวกเราเห็นหลวงพ่อหรือว่าเห็นคณะสงฆ์ที่ท่านก็จำได้ท่านก็บอกควักมือเข้ามาเอ้ยเข้ามาเข้ามา เ, เดี๋ยวจะพูดอะไรให้ฟังช่วงนี้เสียงออกแล้วคือก่อนหน้านั้นท่านไม่มีเสียงเสียงของท่านหายแต่หลวงพ่อพูดอย่างนี้พวกคณะสิทธิยาฤทธิ์ในช่วงนั้นก็คงจะ เข้าใจหรือว่าทุกทีหลวงพ่อพูดเนี่ยคงจะไม่ผิดพลาดเพราะเสียงท่านไม่มีจากนั้นท่านไปอยู่ที่ถ้ำขามเพราะนว่าเสียงของท่านออกมีเสียงขึ้นมาท่านบอกว่าเข้ามาเดี๋ยวจะพูดอะไรให้ฟังเดี๋ยวนีมีเสียงออกแล้วท่านนะนะสรุปแรกก็คือท่านอยากจะให้ธรรมะกับลูกพระลูกพระห ล, ลานคณศัตาญาติโยมอย่างมากๆที่ท่านได้รู้ได้เห็นอย่างไร ท่านก็อยากจะถ่ายทอดให้กับพระลูกหลานศรัทธา ญ, ญาติโยมวันนั้นดูสกว่าท่านตั้งใจพูดจริงๆที่ถ้ำขามอาตมายังมองในแววตาของท่านในองค์ท่านท่านก็มองดูพวกเราและจากนั้นท่านก็ให้ธรรมะท่านบอกว่า เ, เรื่องทานเรื่องศีลอันนั้นก็เป็นพื้นฐานอยู่แล้วแหะแต่เรื่องภาวนาเนี่นะจะเราจะสอน เอหลวงปู่จะสอนเรื่องภาวนานะเรื่องภาวนาดิถ้าหากว่าผู้ใดก็าตามถนะ้าหากว่าภาวนาและจิตใจยังไม่สงบพวกนั้นผู้นั้นยังไม่ได้ริมรถพระธรรมฮท่านพูดอย่างกันหลวงพ่อยังจำไม่ลืมในวันนั้นถึงพวกเราท่านทั้งหลายจะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเข้ามาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนา กบเหมือนกับเราเข้ามาอยู่ในร่มต้นมะม่วงแดดออกเราก็อยู่ในความร่มเย็นอยู่ในร่มต้นมะม่วงแต่ถ้าหากว่าพ่อเรานั่งภาวนาทาจิตใจให้สงบจิตใจเป็นสมาธิเราจะได้ริมรสของมะม่วงได้ริมรสของมะม่วงด้วย อันนี้คือผู้ที่ทำจิตใจให้สงบแต่ถ้าว่าเพียงแต่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาอันนั้นเพียงแต่มาอยู่ในร่มเงาของต้นมะม่วงอันนี้หลวงท่านพูดอย่างเน้นหนักจากนั้นเมื่อเราได้ริ้มรถของมะม่วงแล้วเราก็ขยายผล่ทไมเดินเดินต่อไปอีกอันนั้นคือสมาธิ จากนั้นใครเดินทางวิปัสสนาต่อไปอันนี้ท่านพูดในวันนั้นหลวงพ่อฟังดูแล้วหลวงปู่ท่านพูดได้ชัดเจนเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นศิทยิอนุสิ์จะเป็นฝ่ายพระสงฆ์หรือเป็นฝ่ายคณะสัทายาติโยมให้ฟังเอาไว้ว่าวิธีการทำสมาธิของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราที่ท่านสอน ท่านก็ยึดแนวแถวปฏิปทาของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเพราะว่าหลวงปู่เทศก็ดีหลวงปู่ต่างๆที่เป็นหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฝันหลวงปู่อ่อนหลวงตามหาบัวครูบาอาจารย์ที่เป็นแนวแถวสายหลวงปู่มั่นพวกโดยมากพวกเรายอมรับว่าองค์หลวงปู่มั่นที่ท่านสอนหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นท่านสอนกรรมฐาน ให้กับคณะสัายาติโยมลูกหลานพระเนนทั้งหลายท่านจะเน้นหนักเรื่องภาวนาพุทธโธเนะีเพราะนั้นเขาจึงกลุ่มสมัยยุคนี้เขาบอกว่าหลวงปู่มั่นท่านสอนภาวนาพุทธโธเพราะนั้นพวกเราคณะสิทธิานุสิ์ทั้งหลายควรจะน้อมรับยอมรับว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราสายสอนให้ภาวนาพุทธโธจริงๆเพราะว่า อย่างองหลวงตามหาบัวที่หลวงพ่อได้ศึกษาหรือว่าหลวงปู่ล่าที่หลวงพ่อได้อยู่กับท่านท่านก็จะเน้นหนักเรื่องสมาธิเรื่องภาวนาพุทโธยิ่งเป็นหลวงปู่หลวงปู่ฟัน่นที่เราไปนั่งภาวนาทุกืนที่ท่านแนะนำสั่งสอนท่านจะพูดแนะนำเรื่องพุทโธ เ, เป็นหลักหลวงปู่ฟัน่น พวฉะนั้นมาอยู่กับองหลวงตาตท่านก็ไม่พูดถึงขนาดนั้นแต่ท่านก็ให้ธรรมะท่านจะให้ทางวิปัสสนาหรือว่าแนวความคิดมากกว่าเรื่องสมถะถ้าอยู่กับองหลวงตาแต่ท่านก็สอนเรื่องสมาธิเพราะว่าสมาธิเป็นวงจำกัดวงไม่กว้างคณะนี้กะสมาธิอุปจารสมาธิอปป น, นาสมาธิสมาธิมีอยู่มีอยู่สามขั้น แต่ส่วนวิปัสสนานั้นกว้างขวางนนออันนี้ก็คือหลวงตาท่านอธิบายคณิกาสมาธิคือบริกรรมให้บริกรรมพทรุพโทพโธพุทโธพุทโธจากนั้นใจของเราไม่ปรุงฟุ้งไปทางอื่นจิตใจของเราอยู่ในความสงบนิ่งจากนั้นใจของเราก็สงบเมื่อจิตใจสงบในระดับหนึ่ง คล้ายๆกับจิตใจมันรวมในชั่วขณะหนึ่งเรียกว่าวาบเข้าไปในใจอันนี้เรียกว่าคณิกสมาธิในเมื่อเหมือนรวมมกระ thon อ, ออกไปต่อมาอีกเราพยายามจะทําจิตใจให้สงบไม่ให้มันเผลอต่อมาใจของเราก็จะรวมสงบเข้าไปอกีกในระดับที่สองคล้ายๆกับว่าใจมันอยู่ใจมันไม่ไปตามอารมณ์ สติควบคุมจิตจิตนึกคิดอะไรสมาธิสติของเราตามทันตามตามตามสมาตามจิตใจของเราทันอันนี้เรียกว่าอุปจาระสมาธิจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อันนี้แล้ว่าจิตที่เป็นอัปปนาสมาธินี่แหละสมาธิมีอยู่สขั้นเท่านี้นะเพราะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายเรื่องสมาธิมีอยู่สจากนั้นก็เดินทางวิปัสสนาความนึกคิดคิดเรื่องอะไรจิตใจของเรามันหลงอะไรหลงร่างกายเพราะนั้นท่านจึงให้พิจารณาให้พิจารณาหรือว่าให้กําหนดดูกรรมฐานห เกษาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจนังอันนี้คือกรรมฐานห้าที่พระพุทธเจ้าหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราให้พิจารณาอันนี้กว้างขวางมากนะเพราะว่าท่านให้ตามดูจิตใจของเราโดยมากใจของเรามันหลงหลงร่างกายว่าร่างกายนี่เป็นของจิรังถาวรของสวยงาม ของที่จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายน่แหละมันหลงถึงขนาดนั้นแหละเพราะนั้นเวลาโมโหโกธาให้คนอื่นก็คิดฆ่าคนอื่นคิดว่าตัวเองจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายแต่ไม่ใช่อีกสักวันหนึ่งตัวเองก็ไปอย่างอีรอบเขาที่เขาพาไปนั่นแหละเพราะนั้นสรุปแล้วก็คือใจของเรามันหลงหลงร่างกายว่า เป็นของเราที่จะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายเพราะนั้นการหลงคำนี้เนะ่เมื่อเราพิจารณาร่างกายเห็นเป็นอสุภะปฏิกูลเห็นเป็นธาตุสีดินน้ำลมไฟจากนั้นเราเมื่อเห็นร่างกายของเราแล้วเราก็จะให้ดูใจดูกายเสร็จแล้วให้ดูใจ กายกับใจอาศัยกันอยู่เนื่อเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบแล้วนั่นแหล ะ, เ, ะเมื่อจิตนิ่งแล้วสงบแล้วจะรู้ได้ว่ากายกับใจใจกับกายอาศัยกันอยู่แต่ไม่ใช่อันเดียวกันเพราะฉะนั้นจุดนี้แหละใ ห, ให้พวกคณะทายาติโยมลูกหลานทุกๆุ ท, กท่านนะให้ภาวนาตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ พวกเราจะได้รับความสงบพร่มเย็นเป็นสุขนะถ้าว่าพวกเราไม่ภาวนาไม่เห็นตัไม่เห็นกายไม่เห็นใจนะเรื่องการบำเพ็ญคุณงามความดีเนี่ยไม่ใช่จะมีแต่ทานและศีล น, นะภาวนาที่สำคัญมักสาคัญกว่านะขอให้ฝากไว้กับพวกลูกหลานทุกคนโอ้เทศไม่สะดวกเลยวันนี้มันเถียงคำพูดตลอด การพูดวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาน ะ, ะด้วยอำนาจคุณภา ษ, ษีรัตนตรายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองขอให้ลูกหลานทั้งหลายจ ง, จงประสบแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมขอให้สมหวังดังปรารถนา ท, ทุกท่านด้วยเธอ